ขมกราบหลวงพ่อคำเชียนด้วยความเคารพอย่างสูงคนะับกราบขอบขโอกาสหลวมพ่อกลมกราบขอโอกาสพระอาจารย์บรรทัศนชัยกราบขอโอกาสพระอาจารย์สุรินกราขอโอกาสเพื่อนสา ธ, ธมิกเจริญพรมาอย่างพวกเรานาะเบชีอุบาสกบาสิกา <c oughs> นี่ก็ <c oughs> เสียงก็แปลกแปลกไปเนาะ <c oughs> อืมตรงนี้ก็ลองดูก่อนนะลองดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกเสียงพูดไปได้แค่ไหนยังไงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็บอกนะอย่าเพิ่งด่วนรับอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธให้ลองดูก่อน ตอนนี้ก็เป็นเป็นสาระสําคัญของการเหมือนกับว่าของการปฏิบัติคือในในการที่เรามาที่นี่เนาะเรามาเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะเน้นเรื่องการเจริญสติกันเนาะคือการเจริญสติของที่นี่เราก็จะมีอยู่สองรูปแบบรนะูปแบบที่หนึ่งก็คือเป็น ก็เรียกว่าอยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออยู่นอกรูปแบบตรงนี้ก็คือสิ่งทีก็เรียกว่าเป็นสองสิ่งถ้าหากว่าเราทำสองสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมก็เรียกว่าครอบคลุมเวลาที่เราใช้เวลาทั้งวันมีก็เรียกว่ามีโอกาสที่เราจะปฏิบัติในรูปแบบนี้เราก็ปฏิบัติในรูปแบบถ้าหากว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติในรูปแบบเราจะทากิจต่างๆอันนี้เราก็ปฏิบัตินอกรูปแบบตรงนี้ก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าอย่างที่พระจันทร์สุรินภาสวดภาสวนปฏิ ส, ส, สังขโยเมื่อกี้เนาะนั่นก็เป็นส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบทั้งหมดนะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มีการเกี่ยวข้องกับอาหารเดี๋ยวเราก็มีการเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับ ที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับยุกยาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราจะพบว่าให้เราพิจารณาโดยแยกคลายเนาะเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับอาหารเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับต่างๆนานาเหล่านีเนา้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในความคิดเนี่ยนะหลวงพ่อเขียนบอกว่าอย่าเพิ่งหาคําตอบจากความคิดนะอย่าให้เราหาคําตอบจากความคิด ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าปกติเราเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็จะเหมือนกับว่าเอาความคิดเป็นเพื่อนเนะใช่ ไ, ไนั่งคิดไปตรงเนี้ยก็สิ่งที่เรียกว่าเอาความคิดเป็นเพื่อนหลวงพ่อเองก็จะบอกรายละเอียดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะบอกว่าความคิดเนี่ยมันมีสองอย่างนะอย่างที่เราตั้งใจคิดเนะ กาที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยในภาษาธรรมก็เรียกว่าเราหลงประเด็ น, นั้นคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรากําลังเจริญสติอยู่ก็ให้เราได้พิจารณาตรงนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติในรูปแบบอยู่หรือว่าเรากําลังปฏิบัตินอกรูปแบบอยู่ถ้าเรากําลังปฏิบัติอยู่ทั้งสองอย่างตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือก็ให้เราก็ระมัดระวัง เรื่องเราจะหลงไปกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรื่องเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่หลวงพ่อก็แบบว่าจะเน้นจะเน้นอยู่บ่อยๆหลวงป่อเทียนเองก็ระบุนะว่าแบบความคิดนี้ก็เป็นตัวสมุทยเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์นะนั่นคือตรงนี้การเจริญสติในทางของเราเนี่ย เราก็จะบอกกันมาแต่แรกแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าคิดเนี่ยก็ให้กลับมาเนาะอยู่กับกายก่อนให้กลับมาอยู่กับกายก่อนกลับมารู้เนาะแล้วก็การรู้เนี่ยก็ให้รู้สื่อๆรู้สื่อๆก็คือรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดหาคําตอบภายในรู้เฉยๆรู้ไปกับการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า คำสอนของครูบาอาจารย์ก็จะครอบคลุมครอบคลุมไปทั้งหมดเพราะนั้นนั่ น, นคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ในวัดเนาะอยู่ในวัดก็ให้เราได้เหมือนกับว่าได้ถือโอกาสที่จะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในวัด ต, ตรงนี้เนี่ยหัดหัดการกลับมารู้สึกตัวต ร, ตรงนี้ให้เคยชินถ้าหากว่าเราในขณะที่เรายัางเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะไป ก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆทั้งปฏิสังขายโยทั้ง4ตรงนี้เนาะเกี่ยวข้องกับอาหารก็ดีเสื้อผ้าเครื่องนุงห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเนาะหรือว่ายารักษาโรค ก, ก็ดีตรงนี้ก็ให้เราได้เหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะไม่มีเหมือนกับว่าไม่ได้มีคนอื่นเนาะเราจะอยู่กับเขา อยู่กับวัตถุสิ่งของต่างๆนานาเหล่านี้เท่านั้นพอเวลาที่เราอยู่เนี่ยก็ให้เราระมัดระวังเราคิดถึงเรื่องต่างๆนานาแตกย่อยออกไปจากสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยได้วางอาไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เราจับเสื้อผ้าเครื่องงูห่มขึ้นมาอย่างเงี้ยข้อพิจารณาทั้ง4ี่หข้อที่พุทธเจ้าได้วางอาไว้ให้เนี่ยก็เป็นข้อพิจารณาที่ถ้าเราอยู่ในกรอบตรงนั้นเนาะ มันเข้าเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นความคิดที่เราควรจะคิดกับเขาควรจะเกี่ยวข้องกับเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกออกไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราเริ่มหลงไปคิดแล้วนั่นนั่นคือตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองเนี่ยได้วางเอาไว้วางเอาไว้ให้เราเนี่ยได้พิจารณาพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิด ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราหลงไปไหมเนาะหรือว่าอันน so, mm hmm. ี้เป็นส <Okay. S 1> <VID> ิ่งที <separ ams students> <ieme> ่เราควรก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพวกนี้ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นปัจจัยสี่ทั้งหลายแลเนี่ยยังถูกต้องเนี่ยปัจจัยสี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้ให้ไว้เนาะ ได้ให้ไว้ให้รายละเอียดเอาไว้ครอบคลุมก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนาะสิ่งที่แบบว่าที่นี่เนาะหลวงพ่อกำเชียนก็ดีหลวงพ่อเทียนก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็ดีเนี่ยได้ให้กรอบเอาไว้เนาะก็คือการเจริญสติตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ทิ้งการเจริญสติตรงนี้เนี่ย การที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าช่วยรักษาพวกเราเนาะช่วยเขาเรียกว่าช่วยดูแลพวกเราเมื่อก่อนอยู่ก็เรียกว่าอยู่ในเมืองสิ่งที่เราต้องทำอยู่เป็นประจาก็คือเราก็ต้องคิดเนาะทำงานเขาเรียกว่าเราต้องคิดแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีหลักเราไม่มีหลักว่า อันนี้เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดหรือว่าอันนี้เป็นความคิดที่เราหลงไปคิดอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ามันเป็นการหลักคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราไม่มีหลักตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่กับชีวิตที่เราหาคําตอบจากความคิดเนาะเราก็เอาความคิดเป็นเพื่อนการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ก็เรียกว่าเราจะมองเห็นชัดๆเลยก็คือบางทีเรานั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันเนี่ยเราแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเอาความคิดเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนูน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นยิ่งเวลาที่เหมือนกับว่าเราตั้งใจเก็บอารมณ์เนี่ยามาตั้งใจเก็บอารมณ์ก็คือเรียกว่าบางทีก็ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนํำนะ แบบเขาเรียกว่างดพูดงดคุยพอเรางดพูดงดคุยเนี่ ย, ย, ยอันนั้นหมายความว่าเรากําลังใช้ปากเนาะถ้าเรากําลังจะใช้ปากพูดคุยกับคนอื่นอะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยก็ให้เราได้เหมือนกับว่าให้เราได้ระวังก็เรียกว่าระมัดระวังตรงนั้นแต่ว่าในการเจริญสติเนี่ยการก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะคุยเนี่ยเราก็คิดก่อน เพรนั่นก็นคือพอเวลาที่เราตั้งใจที่จะไม่พูดไม่คุยเรียกว่างดงดการติดต่อกับคนรอบๆข้างเนาะแบบว่ากลับมาอยู่กับการเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยน่าจะมองเห็นไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าการสนทนากับความคิดเนี่ยชัดเจนมากนะเพราะเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยเวลาสายตาเราไปกระทบเนาะ สายตาแล้ไปกระทบกับคนที่เดินมานะการส่งสายตาเนาะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าภาษาทางสายตาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก <c oughs> ก็จําได้นะว่าตอนที่เหมือนกับตั้งใจเก็บอารมณ์เนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราไม่สํารอมสายตาเนี่ยบางทีเราส่งสายตาไปหานกหาหนูในต่นานๆเหล่านี้ก็เรียกว่าแทบจะคุยกับนกกระหนูกัน เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนาะในในทางเ็าเรียกว่าในการเจริญสติอย่างที่นี่อย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้เนี่ยบางทีเราก็หลงไปกับเรื่องพวก น, นี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ทํเนองเดียวกันเนี่ยพอเวลาที่เรามีหลักในการปฏิบัตินะอย่างที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์บอกเอาไว้เนี่ยเราก็ได้เห็นเนะขาเรียกว่าสิ่งที่เรา ชีวิตเราใช้เวลาไปกับเรื่องพวกนี้อย่างหลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยก็เยอะแยะมากๆเลยนะอย่างบางทีก็ได้เห็นเหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมนะบางทีญาติโยมก็บอกว่าวันนี้ปิดบรนจาก็จะใช้วิธีเขียนนะจะใช้วิธีเขียนจดหมายบอกนะบอกถึงสิ่งที่ต้องการ ตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่ว่า <c oughs> ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่การปิดวาจาการปิดวาจาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ก็เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ปากเท่านั้นแต่ว่าการปิดวาจาหมายถึงว่าการที่เราลดการสื่อสารเนาะ <c oughs> ก็เรียกว่าลดการสื่อสารสื่อสารทางความคิดการพูดคุยกับความคิดการหาความคิดเป็นเพื่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ <c oughs> เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าเราจะหลงเข้าไปกับตรงนี้ง่ายมากๆนะแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในนี้หลุดเข้าไปอยู่กับในนี้บางทีก็แบบก็ยังเห็นนักปฏิบัติธรรมเนาะเวลาที่ออกไปข้างนอกเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมกับหมู่คนข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นอยู่เป็นประจำมากก็จะมีคนหลายคนนะที่บอกบอกว่า โอ้อยู่คนเดียวเนี่ยนะสบายมากเลยอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยแบบอยู่คนเดียวได้ทั้งวันอยู่ได้นานๆด้วยแล้วก็ชอบด้วยที่จะอยู่คนเดียว <c ười> คือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องให้แบบว่าให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่คนเดียวตรงนั้นเนี่ยบางทีเขาเองเขาก็จะบอกเองนะแบบว่าเปิดทยุเปิดวิทยุฟังเพลงทั้งวันอย่างเงี้นะงเนาะหรือแม่งก็ทำนูน่นทำนี่ทั้งวันอะไรเงี้ย คือตรงนั้นน่ะเราเองเรากำลังเาเรียกว่าหาวัตถุอื่นสิ่งอื่นเป็นเพื่อนแล้วก็กลังหาความคิดเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าเรากำลังเอาเพลงเป็นเพื่อนบางทีก็ร้องเพลงในใจบางทีเราก็จะไม่เอาวัตถุสิ่งของต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเพื่อนเพราะนั่นคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ายัาง ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะบอกกันนะบว่าเนี่ยเรื่องพวกเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเรากาลังอืเขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์เนาะอย่างเรากาลังปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรากาลังปฏิบัติธรรมอยู่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยูย่อยู่ดีๆเราก็นึกขึ้นเนาะ อยากจะไปทำไม้นู่นสักนิดอยากจะไปทำไอ้นี่สักหน่อยหรืออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยขเขาเรียกว่าพอเราเปลี่ยนอารมณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะตั้งมั่นอยู่บนการเจริญสติตรงนี้มันก็หลุดไปนะโดยที่เราไม่ตั้งใจโดยที่เราหลงไปตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ขเขาเรียกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะหลุดหลุดไปอย่างง่ายที่สุด าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจริงๆครูบาอาจารย์ก็บอกเนาะการกลับมารู้สึกตัวก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นหลักปฏิบัติหลวงพ่อกคำเขียนเองก็จะบอกเรื่องการปฏิบัติตัวนี้นะเพียงแค่เรากลับมารู้สึกซื่อได้กลับมารู้สึกซื่อได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในการปฏิบัติ พอปฏิบัติไปปฏิ New ode, like บัติไปยังสมมติถักว่าพวกเราปฏิบัติใหม่ๆเนาะการที่เราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยการที่เราจะเหมือนกับว่าตั้งมันอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะว่าทําได้ง่ายก็ง่ายเนาะอย่างนี้เป็นเรื่องที่ว่าทําได้ยากก็ยากเหมือนกันแต่ว่าในขณะที่ว่าเราทําได้ยากเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับ เราจะหลงนะเอาความคิดเนี่ยเป็นหลักเพราะว่านั่นคือเรามีนิสัยที่จะคิดหาคําตอบบางทีเรียกว่าอย่างวิปัสสนูนะอย่างวิปัสสนูเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเรียกว่ามันจะมีความรู้เนะเรียกว่าหลวงพ่อกำเขียนจะใช้คําว่าตกแหล่งความรู้ก็มีนะอย่างนี้น <c ười> คือมันจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราคิดโอ้ไอ้นี่มันก็ทะลุทะลงไปหมดไอ้นั่นก็ทะลุทะลงไปหมดไอ้นนท์ก็ทะลุทะลงไปหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะเข้าไปเพลินเข้าไปเพลินอยู่ในอารมณ์ตรงนั้นพอเราเข้าไปเพลินอยู่ในอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือการหลงไปอยู่ในความคิดทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกเอาไว้เนี่ย ให้ระมัดระวังความคิดเนาะอย่างนี้นะนั่นแต่ว่าให้เราได้เหมือนกับว่าอย่าเอาความคิดเป็นเพื่อนนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วก็เหมือนกัรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆมีค่ามากๆเลยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเหมือนกับพอเราเริ่มต้นปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราก็ได้อาศัยหลักตรงนี้นะโดยส่วนตัวก็ถือว่าอาศัยหลักตรงเนี้ยเป็นตัวปฏิบัติ พราเนื <genommen. S 1> ่องจากว่าอย่างที่บอกนะการการที่เราปฏิบัต nee ิเน <S ông S 1> ี <cross> ่ยมันจะมีการปฏิบัติอยู่ในสอรูปแบบด้วยกันปฏิบัติรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติในรูปแบบที่เราเดินจงกรมนั่งซังจังหวะกันปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัตินอกรูปแบบก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราจะไม่ค่อยได้นึกถึงการปฏิบัตินอกรูปแบบเนื่องจากว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเราจะเข้าไปสู่ ชีวิตประจําวันเนี่ยง่ายมากมากเราก็ได้กินอยู่หลับนอนนะได้เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มได้เกี่ยวข้องบัตรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยอยู่แล้วเป็นประจำนะอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะ น, นั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการลุกการนั่งของเราก็ดีเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเอามาเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแต่ทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่เอา เรื่องรลวนอกรูปแบบเนี่ยมาอยู่ในการปฏิบัติการปฏิบัติทำทั้งหมดของเราเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราก็หลุดไปทั้งหมดเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าพอเราไม่ได้นั่งปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยหรือเราไม่ได้เดินจงกรมในรูปแบบเนี่ยพอเราแม้กระทั่งเราจะเปลี่ยนอิเดยบทจากนั่งเป็นยืนตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆหลวพ่อเขียนก็เนาะได้พูดก็เรียกว่า ได้พูดเตือนพวกเรานะได้พูดหลักปฏิบัติให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะก็คืออย่าเพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ้าอยากนั่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่หลวงพอมเฉียนก็ได้้คล้ายว่าได้ให้หลักพวกเราได้เตือนพวกเราว่านี่เวลาที่พวกเราเนี่ยแม้จะอยู่ในรูปของการปฏิบัติในรูปแบบก็ดีจะนั่งจะลุกตรงนี้เนี่ย จะนั่งเพราะว่าเรากำลังอยากจะนั่งลงไปสร้างจังหวะหรือเรากำลังจะลุกขึ้นมาเพื่อเราจะเดินจงกรมตรงนี้เนี่ยแม้ความตั้งใจอย่างนี้เองก็ดีเนี่ยก็ต้องให้เราระมัดระวังว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นหรือเปล่าเนาะเป็นความจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราหลุดจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเาเรียกว่าเราจะทำตามความคิดทันทีเนาะเราจะเชื่อความคิดทันที แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีทางได้เห็นความคิดอย่างนั้นเพราะฉนั้นคือเมื่อเราทําตามความคิดไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเดินตามก็ไปเต้ต้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความคิดเนี่ยหมายถึงว่าเรากําลังเดินสวนทางกับความคิดพอเราเดินสวนทางเนี่ยเหมือนกับว่าเรามองมองไปข้างหน้าเราเห็นความคิดอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่า เราเดินตามความคิดไปเนี่ยเราก็เดินตามเรื่องราวของการกระทําต่างๆเหล่านี้ไปเราไม่มีทางเห็นหน้าไม่มีทางประจันหน้ากับความคิดจังเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าชักชวนกันเนาะชักชวนกันว่าเวลาที่เราปฏิบัติทำกันตรงเนี้ยเนาะให้เราได้พิจารณานะโดยแยกคายเนาะกับการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ทั้งหลายแหล่ตรงเนี้ย ที่พระจัจาร์สุลินพาเราสวดเนี่ยบทปฏิสังขายโยเป็นบทที่เ็เรียกว่าหมดจดสวยงามมากๆนะฮะหมดจดสวยงามมากๆเลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราเได้ลองพิจารณาสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยจีวรก็ดีตื่นเช้ามาเนาะเราจะมาทำวัดปุ๊บเนี่ยนะ หลังจากเราล้างหน้าแปรงฟันแล้วเราก็ต้องยุ่งกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก่อนจะมาที่นี่จะเป็นจีบอก็ดีจะเป็นเสื้อผ้าถุงจะเป็นเสื้อกางเกงอะไรก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยเราลองกลับมาเนาะดูจิตดูใจของเราว่าในความคิดของเราตรงนี้เนี่ยเนาะจิตใจของเราเนี่ยหลงไปกับความคิดที่นอกจากกรอบตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปยุ่งกับอาหารก็ดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปยุ่งกับ ก็เรียกว่าที่อยู่อาศัยก็ดีหรือเราจะเข้าไปยุ่งกับยุกย า, ารักษาโรคก็ดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยได้ลองเนาะได้ลองเอากรอบปฏิบัติเนี่ยปฏิสังคยโยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ถ้าหากว่าเราอยู่ในตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในกรอบของปฏิสังคยโยนี้ก็เรียกว่า เราอยู่ในกรอบของความดําริชอบเป็นมรรคนะเป็นมรรคอันหนึ่งนะที่จะทําให้เราได้เหมือนกับเป็นตัวพิจารณาพิจารณาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหลงไปคิดนะแต่พิจารณาเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งใจคิดเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็ฝากพวกเราเนาะฝากพวกเราที่แบบว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติด้วยกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหลักที่จะทําให้เราเนี่ยได้ดําเนินไป บนทางของการปฏิบัติบนทางของการเจริญสติเราก็จะทําให้เราได้เก็บเกี่ยวก็เรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยอย่างเต็มที่เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปถึงก็เรียกว่าจุดหมายปลายทางที่ไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนนะก็เดี๋ยวพวกเรากราบพระพร้อมกัน